วันอาทิตย์นั้นเนี่ยสัมภาษณ์2คนวันจันทร์กับวันศุกร์สองคนที่มาสัมภาษณ์นี่ก็อายุก็ไล่ๆกัน ก, ก็ประมาณสัก20ปลายๆนะแล้วก็ผ่านงานมาหลายบริษัทแล้วคนแราที่ก็สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ถามว่าที่ทำ ง, งานเก่าเป็นอย่างไรผู้หญิงคนนั้นก็ตอบทันทีเลยนะว่า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 พระพ่าต์แกก็ถามประโยคเดียวกันนะว่าที่ทำงานเก่าเป็นอย่างไรเธอก็ตอบว่าที่ทางานเก่านี่พนักงานนี่ดีมากนะมีความเอื้อเฟื้อมีความสามัคคีมีความเอือเอมมนะเอ้ออาทรกันเจ้านายนี่ก็เป็นกันเองการลูกน้องนะต่างคนต่างก็ช่วยเหลือกันนะ เมื่อพาดฟังแกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าที่ทํางานเก่าดีแบบนี้ทําไมมาหาที่ทํางานใหม่แต่เธอแต่ยังไม่ทันถามนะผู้หญิงนั้นก็ตอบเลยว่าตอนนี้ที่ทํางานเก่าเนี่ยเปลี่ยนลักษณะของธุรกิจละซึ่งเธอไม่ถนัดนะเธอก็เลยคิดว่าออกมาดีกว่าลนะ่ะก็เลยมาสมัครงานกับ WorkPo พอยสิ่งที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิง2คนเนี่ยทำงานบริษัทเดียวกันนะ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 แแล้วก็ตามเนี่ยไอการรับรู้เนี่ยแม่มันจะไม่ตรงความเป็นจริงเพราะความคิดเลืองคติเนี่ยมันก็ยังไม่ไายเท่ากับว่ามันมีความคิดบางอย่างที่ที่สั่งให้เราลงมือทำนะเพราะว่าไอการที่เราทำตามความคิดเนี่ยนะไม่ใช่แค่รับรู้เฉยเฉยนะแต่ว่าตัดสินใจแล้วลงมือทาอะไรบางอย่าง <c oughs> มันอาจจะ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 พอตกลงแล้วก็จะขอศึกหลวงพ่อก็ไม่ให้ศึกพอเพิ่งบวชแค่ไม่กี่วันก็ไล่ให้ไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติสักพักกลับมาอีกจะขอบวชอาจจะขอศึกยืนกลางลบเราจะศึกให้ได้หลวงพ่อก็ไม่ยอมก็ให้เขาไปปฏิบัติต่ตอผ่านไปไม่งชั่วโมงก็ไม่กนะ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 นะระหว่างที่หลวงพ่อเขาเดินจงกลมเขาคิดว่าจะหาปืนจะหารถจากไหนนะแล้วฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยจ่อปืนไปซ่อนที่ไหนจะหนีไปที่ไหนในหัวเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้แหละแต่เป็นเพราะหลวงพ่อเนี่ยนะพูดทักทวงพูดแล้าทักทวงความคิดว่านะคนเราถ้าทำความทำตามตความคิดทุกอย่างมาไม่แย่หรือเนี่ย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 ถ้าเราไม่ระวังตัวความคิดมันจะเป็นนายเราความคิดเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีนะแต่เป็นนายที่เลวนความคิดเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เล е วเป็นบ่าวที่ดีไหมครับว่าถ้าเราใช้มนันน่ถ้าเราใช้มันเป็นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสุขความจเจริญไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมความคิดเนี่ยมันก็พาเรามาที่นี่นะพาเรามาปฏิบัตินะ พอเราคิดใคร่ควรวญแล้วว่าเออการปฏิบัติการเจริญสติมันมีประโยชน์การภาวนาเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรามีความสุขสงบเย็นอันนี้ต้องใส่ความคิดนั้นแหละแต่ถ้าเราปล่อยให้ความคิดเป็นนายเรานะคือมันคิดอะไรก็ทาตามมันตะพฤตพ์เ น, น, นี่ยอันนี้เราแย่แล้วผู้คนมากมายเนี่ยเสียผู้เสียคนก็เพราะความคิดนี่แหล ะ, ะความคิดเนี่ยเวลามันอย่างน้อยๆ ย, ยนะ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 มันคิดแล้วโกรธนะคิดถึงใครบางคนก็โกรธเศร้านะแล้วคราวนี้พอมันโกรธพอมันเศร้าแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าความเศร้าวความโกรธนี่มันมันพอมันมีอำนาจเหนือเรามันสั่งให้เรานะทำอะไรได้ร้อยแสั่งให้เราทําลายข้าวของทำให้เรานะด่าว่าลูกสั่งให้เรานะด่าว่าพ่อแมนะ่เพราะว่าพ่อแม่ดื้อไม่ทําตาม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 เพื language, ่อนที่เรียนด้วยกันสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยก็มาก็มีคนหนึ่งบินมาจากอเมริกานะคงจะบินมาด้วยเหตุอื่นนะไปเมืองนอกสัก20ปีได้นะก็มาเลี้ยงรุ่นด้วยเพื่อนคนที่ไปปฏิบัติตคุณหมอมาราเนี่ยก็คุยกับเพื่อนที่ที่เพิ่งบินจากอเมริกา คุยไปคุยมาก็ย้อนเลื่อถึงความหลังสมัยยังเด็กสมัยเป็นวัยรุ่นและเพื่อนที่มาจากอเมริกาก็บอกว่าเนี่ยเธอจำได้ไหมเมื่อ20ปีก่อนนี่เธอเกียเธอโกรธฉันมากเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรนะเธอโกรธฉันมากเลยเพื่อนคุณหมออัมราคนนั้นก็บอกจําไม่ได้แต่พอมีเพื่อนมาทักว่าเคยโกรธกันเมื่อ20ปีก่อน บอกว่าจูจ่ๆเธอก็โกรธขึ้นมาเลยนะไม่รู้โกรธเรื่องอะไรนะแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อ20ปีก่อนเคยโกรธแล้วตอนนี้ขอโกรธต่อนะนะก็แสดงการฉุนเฉียวคุณหมอมารานี่นะก็พยายามส่งสิกแนวนะว่าเนี่ยเธอกำลังโกรธแล้วนะเพื่อนคนนั้นก็ทําเป็นไม่สนใจนะก็มีอาการฮึดทัชนะกับเพื่อนคนที่เคยโกรธกันนะเมื่อ20ปีก่อน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 เข้ามาบงการการรับรู้ของเราทําให้เห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะเห็นอะไรก็ไปสรุปผิดผิดพลาดพลาดเช่นเห็นเพื่อนกําลังกระซิบกันนะพอเขาเห็นเราเขาก็หยุดกระซิบเลยนะนะเห็นเท่านี้ก็ไปสรุปแล้วเนี่ยว่าเขากําลังดินทาเราพอสรุปว่าเ้านินทาเรานะก็เริ่มเหม็นหน้าเริ่มไม่พอใจแล้วความรู้สึกมันเป็นลบเป็นปฏิปักษ์ ก, กับสคนนั่นทันที